มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนเดกาปัญห า, ต, าตัิยวัวักวัตถุคุยหะทัศนะปัญหาที่หนึ่งถามว่ากระสอนให้สำรวมกายวาจาใจเหตุไรจริงแสดงคุยหะวัตถุให้เสละพรามดูในที่ประชุมเล่า ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาภาสิตังเจตังสมเด็จพระพิชิตมานเมาลีมีพระพุทธดีกาตรัสไว้ว่ากาเยนะสังวโรสาธุสาธุวาจายะสังวโรมะส า, าสังวโรสาธุ สาธุสัพพัทสังวโรดังนี้กระแสพระพุทธดีกาตรัชนิว่าการสารวมนี้ดีหนักหนาสารวมกายก็ดีสารวมวาจาก็ดีสารวมจิตก็ดีและสารวมได้หมดก็ดีก็ประเสริฐนี่แหละสมเด็จพระเมาลีโลกเลิศมีพระพุทธดีกาตรัสสันเสริญซึ่งสารวมว่าดีดังนี้ ครั้นมาอีกพระจินสีเสด็จทรงนั่งจะตุนังปริสานางมาเชในถ้ำกลางแห่งบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระองค์ไม่ได้สำรวมซึ่งบรวรกายจะมีความละอายหาไม่ได้ไพ่พลิกคุยหาออกให้เสลพรามดูเล่นที่ถ้ำกลางมนุษย์และเทวดาชิวหังนีหาฤตวา แลบพระชิวหาเลียเอาพระนาศิกและพระโสดทั้งสองข้างแล้วแลบปกพระนาลาดกระทาประหลาดโลกในโลกนี้จะมีใครเหมือนพระองค์หาบ่ไม่ได้นี่แหละพระพุทธดีกาตรัสว่าสำรวมดีแล้วฉะห น, นพระพุทธองค์จึงไม่สำรวมกายไม่มีอายอดสูเผยที่ลับออกให้เขาดูไม่สมควรเหมือนเขาว่า กิริยากับวาจาไม่เหมือนกันกิริยาอย่างหนึ่งวาจาพูดอย่างหนึ่งก็เหมือนพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งของโลกพระกิริยาจริตเห็นผิดกับพระโอษฐ์ไอยังปันโโหปัญหานี้เป็นอุพโตโกตินิมนโโปรตวิสัชนาตัดเสียซึ่งข้อวิมติขังขาในการบัดนี้พระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารซึ่งพระพุทธดีกาสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าโปรดว่าให้บริษัททั้งสี่สำรวมอินซีสำรวมวาจาสำรวมกายสำรวมได้หมดแล้วประเสริฐนี้ใช่ว่าพระองค์จะไม่สำรวมกายวาจาจะว่าแต่พระโอษฐ์เปล่าหาไม่ได้เป็นอันขาดสมเด็จพระมุนีนาเจ้าสังวรเป็นอันดี การที่สมเด็จพระชิน์สีเจ้าสำแดงพระคุยหาวัตถุที่ลับอันอยู่ในฝักให้เสละพรามดูนั้นเป็นด้วยเสละพรามจะใคร่เห็นด้วยบุคคลใดวิมติสงสัยจะใคร่เห็นที่ลับของพระองค์ถ้าผู้นั้นจะพ้นทุกขจะได้มากผลแล้วสมเด็จพระทศพลเจ้าก็ทรงอนุเคราะห์สำแดงแก่บุคคลผู้นั้นแต่ว่าสาแดงให้เห็นแต่พระฉาย คนทั้งหลายก็เห็นแต่พระฉายที่พระองค์กระทำปาฏิหาริย์ให้เห็นนั้นนี่แหละสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าทรงทราบว่าเสลพรามจะใครด่ดูอันหนึ่งเล่าพระองค์เจ้าทรงพระดำริทราบว่าเสลพรามนั้นเมื่อพระองค์ทรงพระกรุณาเอาออกให้เห็นแล้วจะสำเร็จมรรคผลสมเด็จพระทศพลเจ้าจึงสาแดงคุยหาวัตถุอยู่ในฝกัก กระทำปาฏิหารให้เห็นเป็นเงาจำเพาะเห็นแต่เสลพรามผู้เดียวในถ้ำกลางบริษัทมนุษย์เทวดานั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาว่าสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าสำแดงให้แต่เสลพรามเห็นผู้เดียว บริษัททั้งปวงไม่เห็นนั้นโยมไม่เชื่อคิดดูก็สงสัยนิมนต์วิสัชนาไปให้โยมแจ้งก่อนพระนาาเกษรจิงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียปานดูดพระองค์มหาบาพิษกับบุรุษผู้นั้นบุรุษผู้อื่นสเสวยทุกขเวทนามหาบาพิษจะรู้จะเห็นความเจ็บในใจของบุรุษผู้นั้นหรือ พระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสว่าความเวทนาในใจใครจะล่วงเข้าไปเห็นว่าเจ็บอย่างไรจะรู้จะเห็นก็แต่บุรุษผู้ที่เป็นทุกขเวทนาเท่านั้นพระน่าเกษรจึงถวายพระพรว่ายะถามีครุวนาชันใดสมเด็จบรมไตรยโล ก, กนาถผู้เป็นที่พึ่งเมื่อเหตุมาถึงพระองค์พระองค์ก็ทรงทราบใครอื่นจะรู้เห็นเล่า รู้ก็แต่พระองค์เจ้าเหมือนบุรุษที่เสวยทุกขเวทนานั้นพระองค์รู้ว่าความกังขาของผู้นั้นสงสัยจะใคร่เห็นจึงกระทำปาฏิหาริย์ให้เห็นเป็นแต่พระชายด้วยพริตณบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา ที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาว่านี้โยมยังสงสัยจงอุปมาอุปไมให้ยิ่งไปกว่านี้พระน่าเกษ จ, งจิงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรพระราชสมภารผู้ประเสริฐในราชสริงคารเปรียปานดุดพูดปีศาจอันเข้าสิงอยู่ในคนไข้ย่อมกระทําให้กระวนกระวายบุคคลทั้งหลายเห็นมรือปรการใดณนะบ่อพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสน่ข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเมื่อพูดเข้ามาสิงคนทั้งหลายซึ่งเป็นไข่คนอื่นๆนั้นจะเห็นหาบ่ ไ, ได้จะรู้จะเห็นนั้นแต่คนไข่พระนาคเสนจึงอุปมายต่ออุปมาว่ามหาราชเขอถวายพระพร ความนี้ฉันใดเมื่อความสงสัยผู้ใดบังเกิดสมเด็จพระมหากรุณาผู้ประเสริฐรู้อัจฉาิยก็กระทำปาฏิหาริย์จำเพาะให้ผู้นั้นเห็นด้วยภริณะพอพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสว่าทุกกรลังพันเตข้าแต่พระนาคเษนผู้ปริชาซึ่งสมเด็จพระมหากรุณาเจ้ามาสำแดงคุยหาฐาน ให้เสละพรามทัศนาการเห็นแต่ผู้เดียวจะกระทำยากด้วยเป็นที่แจ้งไม่ควรจะเห็นแต่ผู้เดียวนี่แหละโยมสงสัยชะนีพระนาคเษดจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรใช่ว่าสมเด็จพระโรกุตามาจาร์จะสําแดงพระคุยหาฐานออกให้เห็นจริงๆหาบกไม่ได้ กระทําไปด้วยผลิตนิมิตแต่พระฉายเท่านั้นฝ่ายพระเจ้ามิลินภูมินธราธิ่เบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาค้าเสนาข้าแต่พระน า, าเกษตผู้ปรีชาสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าสมแดงพระฉายให้เสลพรามเห็นเสลพรามเห็นแล้วพระองค์เข้าพระทัยว่าเสลพรามเห็นหรือประการหนึ่งเมื่อเสลพรามเห็นแล้ว ตัดเสียได้ซึ่งความกังขาสมเด็จพระมหาการุณาผู้ประเสริฐทรงทราบหรือพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชาดูกระบ่อพิษพระราชสมภารอันสมเด็จพระบรมโลกกรารนาศาสตราจารย์กระทําดังนี้บุคคลผู้อื่นกระทําได้ยากด้วยสมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงสวัสดิภาพนี้ถ้าไม่เห็นอุปนิสัยสัตว์ไม่ทรงกระทํา ต่อเห็นว่าสัตว์สิ้นกรรมมีอุปนิสัยจะรู้สมเด็จพระสัพพันยูจึงกระทาสำแดงให้สิ้นสงสัยเพื่อจะให้สำเร็จแก่ธรรมเบาวิเศษเหตุชะนี้ผิแหละสมเด็จพระพิชิตมานเมาลีเจ้ายังกิริยานี้ให้เสื่อมไปคือว่าไม่กระทาให้ต้องอัจฉริยะไหนเลยโพธนิยสัตว์จำพวกนั้นนั้น ที่มีอุปนิสัยจำเพาะจะได้เห็นเช่นนี้ก่อนจึงจะรู้นั้นก็จะเปล่าไปอันพระองค์เจ้ากระทาดังนี้ไซด้วยพระบรมโล ก, กาณาเป็นชาติสัพพันอยู่สารพัดจะรู้สิ้นทุกประการมหาราชะขอถวายพระพรโยคันยูตถาคโตสมเด็จพระโลกุตมาจารย์ ย่อมทรงทราบสิ่งอันควรประกอบเข้าอย่างโพธิยสัตว์อันควรจะรู้มรรคผลด้วยกลอุบายสิ่งนั้นสมเด็จพระสัพพันญูก็ประกอบให้รู้ตัดสมาเหตุดังนั้นจึงทรงพระนามว่าสมเด็จพระสัพพันยูมหาราชะขอถวายพระพรปานดุดแพทย์รักษาโรกย่อมประกอบเภศั์ให้ชอบโรคถ้าไข้ผิด ควรจะวางยารากก็วางยาให้รากพิษจะได้สางอันหนึ่งไข้ทำให้ปิดควรวางยาให้ถ่ายก็ให้กินยาถ่ายที่ควรจะพอกยาก็พอกควรจะผ่าก็ผ่าโรคท้องถ่ายควรจะวางยาให้ปิดก็วางยาให้ปิดแพทย์ย่อมยักย้ายถ่ายเทแปรผันประกอบยาตามโรคร้ายทั้งหลาย อันบังเกิดในกรรชกายชายหญิงหนุ่มสาวเด็กเท่าแก่ประกอบยานั้นผันแปรไปตามแก่และปานกลางลูกเล็กเด็กน้อยตามอายุจะได้ประกอบยายืนอยู่อย่างเดียวหาบอกไม่ได้ย่อมประกอบยายักย้ายไปตามโรคฉันใดก็ดีสมเด็จพระบรมโลกกนาดบอบผิดก็เหมือนแพทย์อันประกอบยารักษาโรคทั้งหลาย พระองค์เจ้าก็ยักย้ายผันแปรไปตามอัจาสัยเห็นสัตว์อันควรจะรู้นั้นด้วยเหตุสิ่งไรพระองค์ก็ให้รู้ด้วยเหตุสิ่งนั้นอันหนึ่งจงทรงฟังซึ่งอุปมาอุปไมยใหม่มหาราชาขอถวายพระพรปานดุษรีภาพมุนหะับพามีคันอันหลงไปจะคลอดบุตรก็จำจะสำแดงที่อันไม่ควรจะเห็น ให้หมอตําแยนั้นเห็นด้วยปรารถนาจะให้บุตรนั้นออกมาสบายมิได้คิดละอายอดสูชั้นใดก็ดีสมเด็จพระสัพพันยู่เจ้าก็เหมือนกันเป็นด้วยพระกรุณามิควรที่ว่าจะให้เห็นก็จําเป็นจําให้เห็นแต่พระชายด้วยพระทายหมายจะให้รู้มรรคผลอย่าว่าแต่สาธุชนเช่นเสลรพราหม มีความปรารถนาจะเห็นซึ่งอัธเสนยฐานเป็นที่อัปประมาณบัตดสีนั้นเลยทวักผู้ใดปรารถนาจะชมเชยดูแลซึ่งดวงพระราชหฤทัยพุชเฉยะได้เห็นแล้วและอาจพ้นทุกข์ถึงมรรคผลสมเด็จพระทศพลเจ้าจำจะประกอบให้ชอบน้ำจิตน้ำใจให้ชอบอัจชชาสัยจะทรงสำแดงดวงพระราชหฤทัยออกให้เห็น ใช่จะเป็นแต่เท่านั้นอันสมเด็จพระสัพพันยู่เจ้านี้แสนที่จะรู้วิเศษเทศนากุสโลฉลาดที่จะตรัสพระสัท ธ, ธ ร, รมเทศนาทรงทราบอัธยาสายสัตว์สาธุชนเช่นพระนนพุทธอนุชาฉะนั้นชอบจะประโลมล่อด้วยโฉมชาวสาวสุรางคานิกรนางสวรรจึงจะค่อยวายคลายกระสัน สร้างห่างออกจากโฉมนางชนบทกัลยาณีหน่อเนื้อเชื้อชาติสากยาบุง๋งหลงละเริงเลยไปด้วยนางฟ้าทั้งหลายแล้วจะกลับหน่ายใจได้สเร็จแกบอัครธรรมวิเศษเทวะพวนังเนตวาสมเด็จพระบรมนายกเจ้าก็พาเอาพระ น, น์ขึ้นไปสู่สวรรค์เทวกัญญาโยทเสติพระองค์ก็สำแดงนางฟ้าให้พระ น, น์เห็น ส่วนพระนนก็ขมักขะม่นเจริญสมณธรรมหวังจะใคร่ได้นางฟ้าเหตุสมเด็จพระมหาการุณาตรัสประโลมว่าดูกระพระนนเอย๋ยถ้าท่านจะใคร่ได้ชมเชยนางฟ้าก็จงอุตสาห์เจริญสมณธรรมไปก็จะได้นางฟ้าเมื่อพระนนจะเจริญสมณธรรมอยู่ได้ยินเพื่อนพระมารีกันนินทาก็ได้ความละอาย เบื่อหน่ายจากที่จะได้นางฟ้าทรงจิตของอัตมาไปต่อพระนิพพานมินานก็ดับกิเลสสำเร็จธรรมวิเศษอริยมรรอริยผลนี่แหละสมเด็จพระทศพลตามปกติพระองค์ย่อมทรงติเตียนสุภนิมิตโดยอนเนกบริยายแต่เพื่อจะทรงประกอบให้ชอบอัจ ช, ชาสายพระนนยังพระนนให้สาเร็จมรรผลจึงพาไปสู่สวรรค์เทวโลก ให้เห็นนางฟ้าอันมีรูปโฉมงามหนักหนาเช่นนั้นเหตุชะนี้จริงว่าเทศนากุสโลพระองค์ทรงฉลาดที่จะตรัสพระสัทธรรมเทศนาบุณะจะปรังใช่จะมีความว่าแต่เท่านี้หาบ่า ไ, ได้เหมือนพระจุลบัญถกกระนั้นโกรธกับพี่ชายจะไปศึกเสียแล้วสมเด็จพระทูลกระหม่อมแก้วทรงทราบอัธยาศัยว่า พระจุลบันถกนี้บารมีสร้างมาจะรู้ธรรมวิเศษเหตุดังนี้จึงประทานท่อนผ้าให้แล้วบอกคาถาให้พระจุลพันถกให้เอามือลูบลงที่ท่อนผ้าภาวนาว่าระโชหระนังจำเรินไปก็ได้สาเร็จแก่ธรรมวิเศษถึงซึ่งภาวะประเสริฐมีวสีชินสาสาเสน ในพระศาสนาของพระชิเนธอนบพิเจ้าใช่แต่เท่านั้นสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าทรงทราบอัธยาศัยของพรามผู้หนึ่งชื่อโมคะราชพรามผู้ถามปัญหาถึงสามครั้งสมเด็จพระบรมโลกานาเจ้ารู้ว่าพรามจะทำลายเสียซึ่งมานะแล้วจะได้สาเร็จแก่ธรรมวิเศษกเกษมสารวาสีภาวังชานาในอภิญญาหก นี่แหละสมเด็จพระบรมนายกผู้ประเสริฐทรงประกอบให้ชอบอัธยาศัยโดยวิเศษชาลาดเลิศที่จะเทศนาโปรดสัตว์ทั้งหลายขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาบรมกษัตริสิ้นสงสัยโสมนัสมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคะเสนข้าแต่พระนาคะเสนผู้ปรีชาอายังปันโโหอันว่าปริศนานี้ พระผู้เป็นเจ้าช่างแก้ไขให้แจ่มแจ้งมิให้เคลือบแคลงสงสัยข้าหานังกัตตวาบรรดาจะให้จนอยู่พระผู้เป็นเจ้ากระทําให้เคลื่อนคลายหายไปมิอาจให้จนได้กลับแก้ไขให้วิเศษพหุวิเทนการเนนะด้วยเหตุมีประการต่างๆชักอุปมาเปรียาย พร้อมด้วยอัฏฐานที่บายบทอักษรวิจิตบวรเป็นอันดีอันทกาโรบรรดาพระาศาสนาจะมืดมนลับแล้วอาโลกะโตพระผู้เป็นเจ้าก็กระทำให้ผ่องแผ้วสว่างคันดิพินาทำลายล้างเสืซึ่งคำประรับประวาดอันฟั่นเฟือเลิดเหลือในการปริชาชินะปุตรานังจักขุตายาอุปาทิตัง พระผู้เป็นเจ้าให้ตาทิพ บ, บริสุทธิ์แกชินินทร์บุตรอันจะเกิดมาเมื่อปัจชิมาในการบัดนี้วัตถุคุยหาทัศนะปัญหาที่หนึ่งจบเท่านี้